สามสิบสามมุกเฮยมูดที่สถานีรถไฟ train station วัดารถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะเบอร์ลินกี next train เ, เยอะปุ๊บุ่นด รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Paris กี next train เยอะูดบุ่รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ London กี next train เยอะพูดบุ่รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ Warsaw กี่เวลา train เยอะพูดเบลเดอร์ รถไฟไปสต็อกโฮมออกกี่โมงคะสต็อกโฮมกี่วิลเล่เทรินย์เยปุฎเบลเดียร์ตุนดีรถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะบูดเสต์กี่วิลเล่เทรินย์เยปุฎเบเดียร์ตุนดีดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่คะ่ะมาดริดกี่นาคุกติ๊กเก็ตค้าวาล ดิฉันต้องการตั๋วไปปราศหนึ่งที่ค่ะ b ก e a กีน่ากกตติเกตกาวาลิดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ค่ะเบิร์น่าน็เกตติเกตกาวาลรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะร r a i n Vienna กี่ปุเชรคุณดิรถไฟถึงมอสโกเมื่อไหร่คะ รถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะเรนยี่อัมสเตอร์ดม่มคียังปุ่งเชียร์กุนตุนดีดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะเนินเรนมาอะไรรถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะเย่ฟลัดฟอร์มนั่นเรนเบลเดตุนดี รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะเรนลูนส์รีพัลลูนไหนอะดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลส์หนึ่งเที่ยวค่ะน า, ากุบรัสเซลส์กี one way ticket ค่ะวายดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะนากุโคเปนเฮเกนกี return ticket ค่ะวาย ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะสลีป p อร์เลือกเบิร์ตได้หรือยัตะ